สคาบูชาวันรวมศรัทธาชาวโลกวันดับทุกศกสิ้นทุกพระจินนาสีวันประสูตรตรัสรู พุาธองค์รู้ธรรมตรัธรรมด้วยใจเราชาวพุทหยุดชั่วทําดีเสียไปพระสงฆ์ท่านให้หลักใจนำทางมาถึงวันนี้เป็นวันที่รู้ทัวการ บูชาคือวันพระพุทธอาสันหากพิสุทธิ์คือวันพระท ร, ระงมากระบูชานำพาปฏิบัติมั่นคงอัถมีพระองค์ดับขันสลายขอเชิญทุกท่านเวียนเปียน น้อมปมกราบกรานพระปฏิมาด้วยตั้งใจกายทาบุญตักบาตรชำระใจให้สบาย คือวันประพุทธอาสันหากิสุดคือวันกระสองมา้าบูชานำพาปฏิบัติมั่นคงอัตถามีพระองค์ดับขันสลายขอเชิญทุกท่านเวียนเตียน น้อมกมกราบรานพระปฏิมาด้วยตั้งใจกายทำบุญตักบาตรชํำระใจให้สบายฟังธรรมผ่อนคลายทำลายทุกนุำรม